ทีนี้ในชั้นของทา น, นกถาพระพุทธเจ้าก็เริ่มแสดงทา น, นกถาเรื่องทานกล่าวคุงการให้การเสียสลับเพื่อแผ่แบ่งปันช่วยเหลือกันเป็นต้นถามว่าถ้าพูดถึงในส่วนของทานเป็นเรื่องการสละไปเรื่องการให้ทานเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากๆเพระบรมศาสดาตรัสไว้ในติการิบาตในอังคุตรนิการที่ตัดเออที่ตัดไว้ในอังคุตรนิกายเนี่ย บอกว่าดูก่อนพิกูุ์ทั้งหลายใช่ั้ยถ้าเธอทั้งหลายรู้ผลของทานอย่างที่ตถาคตรู้อย่างที่ตถาคตเข้าใจอย่างที่ตถาพระตถาคตทราบการที่บุคคลรู้นะถ้าใครรู้ทานอกุศลอย่างที่พรุทธเจ้ารู้ที่จักไม่ให้ก่อนบริโภคเป็นไม่มีคือถ้าใครรู้อ น, นิสงของทานนะทานทานบรบามีไปต้นเหรอเนียรู้อย่างที่พรพุทธเจ้ารู้ ที่จะไม่สละจะไม่ให้จกไม่น้อมบริจาคก่อนแล้วค่อยมาบริโภคทีหลังเป็นไม่มีนะจะไม่มีเลยทีนี้ในชั้นของทานกุศลเป็นต้นเหล่านี้เป็นเรื่องของการวัดความเข้าใจนะไม่ใช่เป็นการให้แบบเลื่อนลอยหรือการให้แบบไร้หลักการแต่เป็นการให้แบบมีความรู้มีความเข้าใจอย่างสูง ฉะนั้นในด้านของทานานิโกสนเนี่ยนะทานกถาที่พระองค์กล่าวก็กล่าวลำดับของทานกล่าวในเรื่องของเจตนาทานคือจิตที่คิดจะให้เป็นต้นกล่าวในเรื่องของตัววัตอโรภาทานคือทอาําอโรภาคือความไม่ติดข้องในวัตถุนั้นให้เด่นขึ้นกล่าวถึงในเรื่องของตัววัตถุทานซึ่งจะมาวิจัยแยกแยะในส่วนของพระวินัยยปีดกที่เกี่ยวกับในเรื่องของตัววัตถุทานอย่างไร พระสุตตันตปิฎกในส่วนของอนังปานังคารางวัฒนถังให้ข้าวน้าเป็นต้นนั้นอย่างไรในส่วนของพระพิธามปิดกที่บอกว่าให้รูปเป็นทานให้เสียงให้กลิ่นให้รสให้ผู้ถ้าเป็นต้นเหล่านี้ยเป็นทานเป็นต้นจนถึงธรรมารูปอันนั้นเป็นเรื่องการแยกแยะแยกแยะทำไมแยกแยะเพื่อเป็นการว่าเมื่อให้สิ่งหนึ่งเป็นประธานแล้วจะมีอะไรเป็นบริวารของการให้นั้นๆซึ่งจะมีอานิสงส์หลากหลายในการที่วิธี การให้ทานแล้วมีการปรุงแต่งจิตแล้คิดให้ถูกต้องเป็นต้นอันนั้นโดยย่อตรงนี้ก่อนเมื่อพระ อ, องค์กล่าวในส่วนของาาทานกขาทานกถากถาเรื่องพาวนาในการให้ทานด้วยการสละเป็นต้นในส่วนของทั้งเจตนาที่จิตที่คิดจะให้กับตัววัตถุทานเป็นต้นแล้วก็จะไปแยกกลุ่มบุคคลผู้ให้บุคคลผู้รับการแสวงหาทรัพย์อะไรต่างๆในรายละเอียดประการต่อมาก็กล่าวในเรื่องของศีลนกถาก็คือกล่าวในเรื่องของศีล ที่เป็นไปในส่วนของจารีศีลและก็วาเรตศีลก็คือกล่าวถึงความประพฤติที่ถูกต้องดีงามมีส่วนทั้งสองทั้งส่วนของการปรับทางด้านของจารีตและก็ในด้านวาเีตะส่วนสักคะคาถานั้นกล่าวถึงเรื่องสวรรค์เกี่ยวเรื่องความสุขความเจริญและผลที่น่าปรารถนาหน้าใครหน้าดีคืออันนี้กล่าวถึงส่วนดีของกามนะที่พึงจะเข้าถึงได้และให้ประพฤติตามหลักตามคําสอนข อ, องสองก็ต้อบอกว่าถ้าคนให้ทานเป็น แล้วก็รักษาศีลถูกต้องนี่นะจากการเจริญกุศลสองส่วนนี้จะให้ผลเป็นสวรรค์ให้ให้ผลเป็นสุขติภพเมื่อให้ผลเป็นสุขติภพก็แปลว่าการได้ตาหูจมูกเล่นกายใจที่บริบูรณ์เมื่อได้ตาหูจมูกเล่นใจจะกกายใจที่บริบูรณ์แล้วก็ทําให้ได้สิ่งแวดล้อมที่สะดวกสบายเป็นต้นนี้ไงนี่ไงอานิสงส์ของการให้ทานอานิสงส์การรักษาศี ทีนี้เมื่อมีส่วนของเรื่องดีงามทั้งหลายเนี่ยถามว่ายังไงคือถามว่า ก, การมาคุณในเรื่องที่ดีไหมวัตถุการมทั้งหลายเป็นเรื่องที่ดีไหมก็ต้องบอกว่าเป็นส่วนดีอยู่นะไม่ใช่ไม่ดีถ้าไม่ดีสัตว์ทั้งหลายจะไม่ติด <mm> ใช่ไหม <mm> การที่เราได้ตาหูจมูกเลินกายใจมาเนี่ยเราก็มายินดีมาเพลิดเพลินการที่เราได้ทรัพย์สมบัติและบริวารสมบัติทั้งหลายมาเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราท่านทั้งหลายเราก็ได้รับความสะดวกได้รับความสบายได้รับความสุขได้ครับความเจริญ แต่ละภพไม่ว่าจะเป็นในภพของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นจาตุมหาราชกาตาวติงสายามาดุสิตานิมมานรดีปรณิมมิสวสวัสดีลักษณะอย่างนี้ล้วนแต่เป็นผลของทานและศีลทั้งหลายเหล่านี้ซึ่งเราก็เห็นว่านั่นคือส่วนดีของของของขอ ง, ของการให้ทานรักษาศีลแต่ในย่ที่4พระองค์ก็มาแสดงการมาถีนวัฏานิเรื่องโทษเลยการในเรื่องของโทษเลยเนี้ย กล่าวถึงส่วนเสียข้อบกพร่องของกลามคือผลร้ายที่สืบเนื่องมาแต่กลามอันไม่ควรจะหลงไหลหมกมุ่นเนี่ยก็หมายความว่าทำไมเมื่อกี้กล่าวถึงคุณแต่มาข้อต่อไปสแสดงให้เห็นชัดในพระธรรมเทศนาที่พระบรมศา ส, สดาทรงสแสดงนะพอสะแสดงเรื่องทานคาถาศีลแล้วก็มาสแสดงเรื่องสวรรค์คือสักขคาถาสุขติพบทั้งหลายส่วนดีของกางของของสีเสียงกลิ่นรสสัมผัส แต่พอต่อมาพราะองค์ก็มาชี้ให้เห็นเลยว่ากามเนี่ยมันมีโทษกามเนี่ยมันมีโทษในส่วนหนึ่งซึ่งเราเห็นได้ชัดกันก็คือว่าที่ท่านอุปมาการมาคุณเนี่ยเหมือนกันกับบุคคลที่เจอผลไม้ต้นไม้ที่มีผลไม้งามหรือดกนี่เราเห็นก็มันก็มีบุคคลคนหนึ่งขึ้นไปบนต้นไม้นะั้นก็กําลังกินกําลังใช้อย่างเพลิดเพลิน แต่ในขณะเดียวกันไอคนที่อยู่ข้างล่างก็กำลังตัดต้นไม้อยู่ใช่ไหนี่ก็เหมือนกันเราท่านทั้งหลายเรา ม, ามีตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วอันนี้เราได้บริโภคกามกันแล้วแต่เราเคยรู้ตัวไหมว่าตอนนี้เรากำลังถูกเรื่อยมันกำลังตัดอยู่อะไรคือเรื่อยชลาพยาธิ แล้วก็ต่อไปไอตัวมรณะนี่มันจะตัดขาดนะฉะนั้นรีบออกมาเสียคนที่ฉลาดทั้งหลายเขาจะไม่มัวเพลิดเพลินอยู่กับการกินผลไม้ที่มันกําลังดกกาลังงามเลยหรอกเพราะเขาฉลาดเขาไม่มัวกินเพลินอยู่บนต้นไม้นั้นเขาก็เหลียวมาดูอยู่ใช่ไหมว่ามีใครตัดต้นไม้ข้างล่างอยู่ไหมเนี่ยเอามีคนเอาเลื่อยกําลังตัดอยู่เนี่ยเขาจะเพลินอยู่ทําไมเขาต้องรีบโดดลงมาไหม แล้วตอนนี้เรากําลังประกอบมีตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่มีกระแสชีวิตอยู่ตอนนี้เรากําลังเพลิอนอยู่หรือเปล่าหรือกาลังนั่งหลับอยู่แล้วกําลังนั่งเพลิอนอยู่หรือเปล่าว่าตอนเนี้ยไอ้ต้นไม้ต้นเนี้ยเขากําลังโค่อนอยู่เห็นไหม <be sick> เขากําลังโค่นอยู่ชะลากําลังโค่นอยู่ยังไม่ห้ามหันไหม <Be at> ออชะลาห้ามหันอยู่ไหมตอนเนี้ยเข้าโจมตีทุกด้านไหม ทุกด้านผมก็ฉลาโจมตีขนก็ถูกโจมตีเล็บก็ถูกโจมตีฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยหารใหม่หารเก่าเนี่ยตอนนี้ถูกโจมตีอยู่ตลอดเวลาไหมฉลาก็โจมตีเป็นระยะระยะระยะแล้วจะมัวม ว, มวนั่งหลับถือทําไมใช่ไหมก็มันโจมตีขนาดนี้แล้วใช่ไหมไม่น่ามันน่า ก, กลัวนะเอางี้ คนขึ้นบนต้นไม้แล้วก็กําลังกินผลไม้อยู่แล้วเห็นคนเลื่อยต้นไม้อยู่เนี่ยยังมันนั่งใจเย็นอยู่บนต้นไม้เนี่ยคือคนโง่หรือฉลาดอนะคนโง่หรือคนฉลาดคนโง่ใช่ไหมก็ตอนเนี้ยต้นไม้ต้นนี้มันกําลังถูกเลื่อยห้าหันอยู่เนี่ยนะถูกเลื่อยกําลังตัดอยู่ต้นนี้เนี่ยแล้วเราโมว น, นั่งหลับอยู่ไม่ให้กุศลเกิดเนี่ยอย่างนี้ประมาทไหมเนี่ยฉะนั้นรู้ตัวอย่างนี้ก็รีบตั้งสติเสีย อย่าให้ถีน้มิท้ามันก้มรวมเราอ้างได้ไหมว่าโอ๊ยตอนนี้กินข้าวมาใหม่ๆได้ไหมไม่ใช่ค้ออ้างเลยใช่ไม้มเรายายบอกไอ้คนที่ตัดต้นไม้ได้ไหมบอกอย่าพึ่งตาตอนนี้พึ่งขึ้นมากินอย่างนี้มันเขาไม่ฟังเราเพราะเขาจะกินเหมือนกันใช่ไหมฉะนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้ว่าชรลามันก็ข้ามหันมรณะก็เบียดเบียนภรยาธีก็เบียดเบียนมรณะนี่ก็จะเข้ามาโจมตีขั้นสุดขั้งสุดท้ายแล้ว ซึ่งมันก็ใกล้กันอยู่แล้วใช่ไหมตรงนี้แนหะคือโทษไงโทษของโทษของกามส่วนเสียของกามท่านอุปมาไว้เยอะเหมือนชิ้นเนื้อเหมือนอะไรก็ว่าไปตามลําดับแต่นั่นแหละให้มองเห็นว่าอย่ามัวเพินกันอยู่เลยอย่ามัวมาเพลินการได้ตาได้หูได้จมูกได้ลิ้นได้กายได้ใจอยามาเพลินว่าเรามีบ้านสวยๆมีรถงามงามมีบริษัทบริวารใหญ่โตมากมาย หรือตอนนี้เรากําลังก่อร่างสร้างตัวอย่าโมเพลินเลยว่าตอนนี้ต้นไม้ต้นนี้มันกําลังถูกตัดอยู่แล้วตอนนี้มันตัดมาถึงกลางต้นนี่ยังก็ไม่ทราบใช่ไหมเรารู้ไหมอวัยวะส่วนใดของร่างกายมันเคยบอกมารายงานเราไหมบอกว่าท่านครับตอนนี้ตายของท่านเนี่ยใกล้จะไปแล้วมันเคยมาบอกไหมตับของท่านไปเท่านั้นแล้วเหลือเท่านั้นกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเคยบอกมันก็ไม่เคยบอกใช่ไหมฉะนั้นเมื่อรู้อย่างนี้แต่มันถูกโจมเราถูกโจมตีทุกอะ ทุกเวลาทุกนาทีแม้กระทั่งหลับอยู่มันก็โจมตีอยู่มันก็ห้ามพันอยู่เมื่อรู้อย่างนี้แล้วยังจะกล้านอนหลับยาวๆนานไหมแต่เนี้ยเอาก็ขอยสังเกต ด, ดูว่าขนาดรูก้ก็เวลาเตือนตัวเองนะเออก็ความตายมันมาขนาดนี้เอาจะหลับก็ปล่อยไปตรเนี้นะลองถามนะลองให้ข้อมูลก็ดูดิเอา้า ถ้ารู้ข้อมูลจริงๆจังๆแล้วอย่างนี้ยังจะมานั่งหลับฟังทำอยู่ไหมจะเอาบุญหรือเอาบาปจะเอาสวรรค์หรือเอานรกก็ถามก็ไปเรื่อยๆอยงไงนะถามก็ไปจนตื่นนะ่ะใช่ไหมก็เราทำไมจะคอนโทรลวิธีคิดเราไม่ได้จะไม่ปรุงแต่งได้จิตเนี่ยคนฉลาดในการปรุงแต่งก็เรีจิตตารังกาลจิตตปริคารังเนี่ยเวลาจะปรุงแต่งจิตทําศีลสมาธิวิปัสนาอังเกิดเนี่ยก็เกิดจากการปรุงแต่งจิตนะไม่ใช่ไปนั่งนิ่งๆแล้วจะมีปัญญาเกิดขึ้นมาไม่ใช่เลย โอ้โห oh, คนนั่งนิ่งๆิ่งมีปัญญาเกิดขึ้นมาได้ก็การตัดสู้ตัดสู้ได้เป็นปัญญาเนะีไม่ได้ตัดสู้ได้ด้วยการนั่งนิ่งๆิ่งเนะ <c oughs> ไืไม่ใช่ไม่ใช่มีใครนั่งหลับตัดสู้ไหม <c oughs> นั่งฟังธรรมตัดสู้มีสูตรไหนลองมายืนยันที่สองหมื่นกระสูดมาดูผ่านมาแล้วไม่เห็นเจอสักสูตรเลยมีการนั่งหลับตัดสู้ไม่มีหรอกมีแต่ตื่นออกมาทั้งนั้นเองใช่ไหม <c oughs> ถ้าการฟังธรรมหลับพระบรมศาสตร์สดาสรารเสือรือตรอรมนิษ เราอยากให้พบกรมศาสดาสารเสรวนไหมถ้าเราเพราะอย่างนี้ในในเราก็ย้อนหลังได้เลยเราย้อนอดีตได้พราะว่าในอดีตเนี่ยสงสัยเราไม่ค่อยตั้งใจฟังธทรำรอัธยาศัยนี้จึงเยอะเหลือเกินแล้วก็แล้วก็แล้ ก, แลก็สกิดตัวเองบ่อยๆที่โอ้สงสัยในอดีตเนี่เป็นอย่างนี้ยเวลาพระจะกล่าวเป็นไปตามลำดับก็กล่าวไม่ได้ต้องมาทักเราอยู่เรื่อยเลยใช่ไหม ว่ทักนี่บางที่ก็เสียเวลากล่าวไปตั้งเยอะอยู่嘛ไอ้พาก็รีบจะสรุปประเด็นเนี่ยทำเอกสารมาก็เยอะเนี่ยส<笑>งสัยมันย้ายได้ไปไม่ต้องอะไรก็มานั่งทักกันอยู่เนี่ยนอันนี้ต่างก่ายต่างก็ช่วยเหลือกันดีไหมดีนะทํางานทําหน้าที่ให้สมบูรณ์เนี่ยนะดีเนี<笑>ตรงนี้ก็คือกามาทีนะวาาาน่าคาถามีท่านกล่าวถึงโทษของการกล่าวส่วนเสียข้อบกพร่องพร้อมทั้งผลร้ายที่สืบเนื่องมาจากการได้ตาหูยมุกลินไยใจ นัเป็นร้ายนะจริงๆเอาเออส่วนดีมีอยู่นะไม่ใช่ไม่มีแต่ส่วนเสียมีอยู่ส่วนเสียก็คือไม่ควรหลงไหลไม่ควรหมกมุ่นถ้าพิจารณาใครควรอย่างนี้จิตในการที่อยากจะถ่ายถอนออกจากกามธาทำเหล่านั้นเป็นต้นหรือจากวัตถุ ก, กรรมเหล่านั้นจะได้ประการสุดท้ายคือเนคขมานิสังสักถาก็ะอ น, นิสง์นการออกจากการรมออกจากราคาโทสารโมหันนี่นะไม่หมกมุ่นไม่เพลิดเพลินไม่ติดอยู่ในกรรม แล้วก็ให้มีฉันท้าที่จะแสดงความดีงามด้วยความสุขกันปราณีก็คือว่าน้อมออกและเหมือนเนี่ยญาศาสตร์วบุตรที่ท่านฟังจิตท่านก็น้อมออกพระเจ้าเวลาจะแสดงพระธรรมเทศนาแก่ครือข่าผู้มีอุปนิสัยสา ม, มารถที่จะบรรลุธรรมพิเศษนี่นะพระบรมาศสาสดาก็จะต้องแสดงอนุปูปีกถาก่อนก็จึงแสดงจบลงด้วยอริยสัจธรรมทั้งสี่คือทุกขสมุทัยมีรถมาทําไมจึงแสดงอย่างนี้ก่อน เป็นการทำจิตของผู้ฟังเนี่ยนะพร้อมที่จะรับเหมือนอะไรดีเหมือนผ้าที่ซักฟอกสะอาดแล้วควรจกการรับน้ำย้อมต่างๆได้ดยดีดังจะเห็นได้เกือบชัดเจนว่าภายหลังจากการตรัสรู้เนี่ยทรงสแสดงอนุภพิภิคถาแล้วก็ญาศรีเนี่ยนะที่ปลดยะจากกุลบุตรหรือสหายของยาตศรหรือต้นเกต ด, ดูพระเจ้าพิมพิสารพร้อมด้วยประชาชนเนี่ยในวนมาคตเนี่ย ฉะนั้นพอกล่าวถึงในเรื่องของทานกถาที่พารณาคุณของทานเนี่ยทานนี้เป็นเหตุแห่งความสุขเป็นมูลเหตุแห่งสมบัติเป็นที่ตั้งของโพคาโดยมากท่านในสูตรต่างๆท่านจะตั้งหลักตรงนี้ไว้ในชั้นของอัตฉริยหรือดีกาทั้งหลายก็ท่านจะขยายให้เห็นท่านบอกว่าทานเป็นเหตุแห่งความสุขทานกุศลเนี่ยนะเป็นเหตุแห่งความสุขนี่ความสุขก็มีกามาสุขใช่ไหมจะมีโลกียสุขแล้วก็โลกุตละสุข อย่าลืมนะว่าในส่วนของทา น, นกุศลเนี่ยผลของเขาก็คือให้ผลที่เป็นทรับนั่นเองถ้าจะพูดกันมองให้ความสมบูรณ์แห่งพพชาติและเส้นจากพพชาติจะเป็นอาการปรากฏเพราะทานมีการให้เป็นลักษณะจิตของทานกุศลก็คือทําลายโลภผลปรากฏที่เห็นชัดเจนก็คือความสมบูรณ์แห่งพพชาติและความเส้นจากพพชาติเนี่ยเป็นอาการปรากฏของทานนี่ไง ทั้งในโลกนี้แหละโลกหนะ้าถามบอกว่ามูลเหตุแห่งสมบัติเป็นที่ตั้งของโภคาทานกุศลเนี่ยเป็นที่ตั้งของโภคะไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งได้ได้ดีท่านใช้คําว่าไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งได้เช่นเดียวกับทานนะ น, นี่ทานกิจคะเนี่เป็นที่พึ่งทั้งในโลกนี้แหละโลกหน้าทานนี้เป็นเช่นอาสนะสีหะที่สําเร็จด้วยแก้วเพราะอะไรเพราะแต่ว่าเป็นที่พึ่งเออถ้าหากว่าเรา เราจะมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะถ้าเราไม่ได้เจริญทานกุศลมาดีเนี่ยนะโอ้โหเราจะไม่ได้ที่พึ่งในการที่จะต่อยอดในการเดินก็สู่ศีลเดินสู่สมาธิและปัญญาเป็นต้นเลยเป็นเชือกยึดนะเป็นเชือกยึดเพราะทว่าน่วงยึดน่วงในกรณีอห่งการที่เราจะเจริญทานกุศลสามารถยึดน่วงอาทานกุศลเป็นต้นเอาเจตนาทานเป็นต้นเอามาเป็นอารมณปัจจะเอาเป็นอารมณ์ได้เนี่ยนะฉะนั้นทานจึงเป็นเชือกยึด เป็นเชือกยึดก็คือว่าทําให้จิตของเรานั้นระลึกถึงคุณความดีได้ถ้าเราเคยสละวัตถุบ่อยๆไอ้จิตที่คิดสละเนี่ยได้กลายาเป็นเชือกยึดหน่วงจิตใจของสัตว์นะให้สัตว์นั้นระลึกถึงคุณความดีทั้งหลายที่ตนได้สละได้ให้ได้บริจาคมาเนี่ยทานย่อมให้สิริสมบัติในโลกและให้จกักรพัฒสมบัติถราถามว่ามีอะไรบ้างสิริราจะสมบัติในโลกนี้เราก็มองเห็นแล้วว่าบุคคลที่ปกครอง พันดินนี่นะที่เป็นใหญ่ทั้งหลายตามฐานะนั้นๆต่างๆอันนั้นมาจากทานนะท่านตงบอกทานนั้นให้สิริราชสมบัติในโลกนี้ให้อะไรอีกให้จกักรพัฒสมบัติเทวสมบัติมาและสมบัติพรมาสมบัติสูงไปหน่อยก็สาวกบา ร, รมีญาณปเจกโพธิญาณและสัมมาสัมโพธิญาณเอาละแต่เนี้ยเราจะเห็นชัดเจนว่าทานบา ร, รมีของ เขาถึางบอกออว่าโพธิญาณมันมีสามอย่างใช่ไหมสาวกะาโพธิปัจเจกับโพธิแล้วก็สัมมาสัมโพธิในบรรดาโพธิทั้ง3าประการนี้ล้วนแต่มีทานอากุศลเป็นต้นเหล่านี้ที่จะให้สมบัติเหล่านี้ได้ทานย่อมให้สิริราชสมบัติในโลกจักรพัฒสมบัติเทวสมบัติมาและสมบัติพรมสมบัติทานย่อมให้สาวกบา ร, รมยาราียานปัจเจกับโพธิญาณและสัมมาสัมโพธิ เมื่อการให้ทานนั้นเป็นเหตุแห่งความสุขเป็นมูลเหตุแห่งสมบัติซึ่งคนบนโลกนี้ก็ปรารถนาความสุขกันทุกคนพุทธิย่าแสดงให้กับอนาถาปินทิกาเศรษฐีบอกว่าอัตถิสุขสุขเกิดแต่การมีทรัพย์โภค้าสุขสุขเกิดแต่การจ่ายทรัพย์บริโภคอนานะสุขสุขเกิดแต่การไม่เป็นหนี้อนนวัชชสุข สุขที่เกิดจากการประพฤติที่ไร้โทษนี่นะสประการนี่นะให้สังเกตดูว่าควรบุตรกินใช้ทําสิ่งดีงามเป็นต้นเลยถามบอกว่ามีโพคาอันหามาได้ด้วยความขยันด้วยความหมั่นเพียรด้วยสะสมมาด้วยเรียวแลนดด้วยกําลังแขนตนเองนี่นะอย่างอาบเหงือต่างน้ำเป็นของชอบทำได้มาโดยธรรอย่างนี้ได้เมื่อได้ทซั์มาแล้วความสุขมีไหม ทีนี้ในบรรดาคนที่สแสวงหาทรัพย์กันแต่ละคนเนี่ยบางคนก็สแสวงหามาแล้วก็ประสบความสําเร็จบ้างไม่ประสบความสําเร็จบ้างแต่เมื่อมีทรัพย์มาแล้วเนี่ยได้ความสุขเราสังเกตไหมความสุขที่ได้จากการมีทรัพย์มาได้ไม่ใช่ว่าขยันจับได้ทรัพย์เสมอไปถ้าเหตุคือทานนกุศลไม่ดีพอขยันแทบตายมีก็หมดมีก็หมดมันเป็นอย่างนี้ ฉลาดให้ฉลาดขนาดไหนก็ฉลาดไปเธอก็สแสวงหาไปเธอทรัพย์เนี่ยเมื่อสแสวงหาไปแล้วเดี๋ยวก็หมดแล้วก็มีอันที่จะต้องป่วยบ้างใช่ไมเพราะเป็นแล้วต้องมีการมีเรื่องราวเลยต่างๆที่ต้องกินต้องใช้เนื้อข้าวก็หมดฉะนั้นสุขที่เกิดจากการมีทรัพย์เนี่ยมาจากทานในกุศลในอดีตถึงจะได้ความสุขเกิดจากการมีทรัพย์สุขที่เกิดจากการจ่ายทรัพย์บริโภคเห็นไหม นี่ข้อที่สองใช้ทําความดีให้สังเกตดูนะว่ากุลบุตรเนยะกินใช้ทำทำสิ่งทำสิ่งเป็นความดีและทําบุญทั้งหลายด้วยโภคะที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรอันสะสมมาด้วยกําลังแขนอย่างอามเงือต่นาสสน้ำเป็นของชอบทําได้มาโดยทําก็จะได้ความสุขได้สม น, นะว่าเราได้กินได้ใช้ได้ทําความดีงามอันเป็นบุญทั้งหลายนี้เรียกโควคสุขถ้าเรามีทรัพย์เนี่ยนะเอามาจัดฟังธรรมเนี่ยมีความสุขไหม อย่างเงี้ยมีความสุขใช่ไหมแต่ถ้ามีทรัพย์เอาไปจัดเป็นงานเลี้ยงงานฉลองงานวันเกิดแต่เป็นไกบก็กินเหล้าเมายามีความสุขไหมอย่างเงี้ยซับเนี่ยอย่างงี้เขาเรียกว่าสุขเกิดจากการมีซัพย์ทําไมท่านขับเน้นตัวนี้ท่านขับเน้นตัวกุศลไม่ใช่สุขที่เป็นไปกับโลภะท่านขับเน้นว่าเมื่อมีซัพย์แล้วเอาซัพย์มาแลกเป็นกุศลนั่นเองเอาซับน่ะเอามาเกื้อกูลกุศลใ้ได้ พอซับนั้นะเป็นเรื่องที่ชาวโลกเขาสมมุติว่ามีค่าเป็นรัตตนาที่เลิศถ้าเราจะดูเนะื้อทองทองเนี่ยชาวโลกเขาถือกันว่าโหเป็นของมีค่ามากเพชรนินจินดาทั้งหลายเป็นรัตนาอันประเลออันอันประณีตของเขาแล้วเบื้องหลังจริงอจริงๆบางยุคบางสมัยก็คือหินดีๆใช่ไหมก็คือหินดีๆอ่ะุปตามปรมัตถธรรมก็คือดินน้ำไปลมสีกินรสโอชาธาต์ก็คือวินโพกรูปกก็ไม่ได้มีค่าอะไรนะ แต่เมื่อโล ก, กสมมุติกันมาเป็นทองคําเป็นรัตนนเป็นเพชรนินจินดาเป็นเสร็มีค่าทันทีเลยทีนี้มีค่าเหล่านี้นี่แหละสัตว์โลกทั้งหลายก็ยึดติดพอยึดติดทั้งหลายเหล่านี้เลยเป็นปิยะเลยเป็นของรักเป็นของห่วงแล้วเป็นปิยะแล้วถ้าใครกล้าสละของที่รักของที่ห่วงได้เขาเรียกปิยทา น, นังให้ของที่รักที่จริงการให้จริงๆให้สังเกตตัวนีน้ตัววัตถุเป็นสื่อตัวที่ถูกสละจริงๆคือกิเลส คือราคาเป็นต้นนั่นแหละราคาโทสะโมหะเป็นต้นนั่นแหละที่ถูกสละจริงๆเนี่ยที่ถูกละถูกปล่อยถูกวางจริงๆตัวนั้นแต่อย่าลื kah, มนะการสละอย่างนั้นมันให้ผลเป็นทรัพย์แล้วมันให้ผลเป็นทรัพย์ให้ผลเป็นสิ่งที่ดีงามเป็นต้นประการที่สมสุขเกิดแต่การไม่ต้องเป็นหนี้เนี่ยกุลบุตรไม่ต้องติดหนี้ใครๆไม่น้อยน้อยหรือมากก็ได้รับความสุขสมอนัดว่าเราไม่ติดหนี้ใครๆเลยไม่ว่าน้อยหรือมากอันนี้เป็นอนันวะอนันตสุขให้สังเกต ข้อหนึ่งสองสาสุขเกิดจากการมีทรัพย์จ่ายทรัพย์บริโภคและไม่ต้องเป็นหนี้คนที่หาทรัพย์มาแล้วทรัพย์ก็พังทรัพย์ก็พังก็ติดหนี้อยู่เรื่อยมาจากอะไรถ้าเราไปเทียบเคียงเกี่ยวเรื่องการให้ทานเนี่ยหนึ่งให้ด้วยศรัทธาเชื่อมั่นกรรมและผลของกรรมเป็นต้นสองให้ด้วยความนอบน้อมสามให้การท า, านสี่ให้โดยการไม่กระทบตันและบุคคลอื่นใช่ไหม 5ก็คือเออขอไป4ให้โดยสลาขาด5ให้โดยไม่กระทบตนและบุคคลอื่นถ้าเราดูอย่างนี้จะเห็นนี่ในสัพปริสถาน5ประการด้วยรายละเอียดจะมีในเอกสารนะถ้าเรามองอย่างนี้นจะเห็นเลยว่าในชั้นของการให้เนี่ยเหตุผลที่คนกล้ากล้าใช้ทรัพย์เนี่ยจ่ายทรัพย์บริโภคได้เนี่ยเพราะเขาไม่ได้ให้ทานมาแบบยึดติดการให้แบบสลาขาดเนี่ย เมื่อเขามีทรัพย์มาแล้วเขาไม่เป็นแค่ปู่โสมเป่าทรัพย์ไงเมื่อสละกล้าสละให้ใช่ไหมคนบางคนมีทรัพย์แต่ไม่กล้าใช้จ่ายไม่กล้าเอาประกอบทําคุณงามความดีแต่เอาไว้แค่ชมอยู่ในบ้านหรือเอาไว้รักษาไว้ให้ลูกให้หลานเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่าเขตผลที่ตนเองมีทรัพย์เพราะมาจากทานโกศลเหตุผลที่ตนเองได้เป็นแค่แค่ปู่ปู่โสมเฝ้าทรัพย์ไม่กล้าสละไม่กล้าให้ เพราะการให้ไม่ให้สละขาดฉะนั้นการสลาแบบไม่สละขาดไม่มีอนุเคราะหน์นะี่เนี้ยไม่ให้โดยอนุเคราะห์หรือสละขาดเนี่ยผลก็คือทำให้มีซับไม่มีแต่เมื่อมีซับเบ็ดเสร็จก็เอาไว้เปิดดูเป็นระยะระยะเดือนนี้ก็เช็คดูหน่อยอ้อยังเหลือเท่าเดิมโม้ชื่นใจชื่นใจใครเป็นอย่างนั้นไหมถ้าเป็นอย่างนี้แสดงว่า ผลของการให้ทานในดีดมันกําลังให้ผลเราอยู่นะจะแก้ไขในปัจจุบันยังไงหรือหรือยอมจำนนเอาก็เราให้ทานแบบนี้มาแล้วก็เลยยอมจำนนก็ยอมเป็นปู่โสมเฝ้าจนกระทั่งตายแล้วก็ให้ยกให้คนอื่นไปอย่างนี้หรือเปล่าเดี๋ยวต่อไปไปดูอกิติดาบทเป็นต้นเหล่านี้นะหรืออกิติเจริยาก็ดีดูในชาติสุดท้ายที่พระโพธิสัตว์บําเพ็ญบารมีไม่ใช่ชาติแรกอะ ชาติแรกในเสียสงไข้ที่เป็นสซเมธาบัณฑิตให้สังเกต ด, ดทูท่านจะพิจารณาโอ้เหนียของปู่นะของตานะของยายนะของพ่อแม่ทั้งหลายเหร่านี้พากันตายหมดแล้วทิ้งทรัพย์สมบัติมาจะไม่มีใครเอาไปได้เลยโอ้บุคคลเหล่านี้เป็นได้แค่ปู่โสมนะเ ค, คืท่านคิดอย่างเนี้นะเออเฝ้าทรัพย์เฝ้าทรัพย์ไม่ให้เราโดยแท้เพราะฉะนั้นแหละเราจะไม่เป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์เหมือนตาเหมือนยายอีกแล้วเนื้อสละเลย เนี่ยสละเลยแล้วก็เปิดประตูเลยแจกเลยเงี้ยนะ น, นี่หมายถึงเอฟพูดพอพูดไปอย่างนี้พวกเราหวังว่าคงไม่ไปเปิดประตูแจกกันขนาดนั้นมาเปิดไม่เปิดยอมลงคนบอกยอมเปิดทุกวันแล้วไม่มีแล้วอนาวัชสุขสุขเกิดแต่การประกอบการงานที่เออกรณีรักนะ่ะเขาไปในะตรงเนี้ยสุกเกิดแต่การไม่ต้องเป็นหนี้อ่ะ เหตุ okay, ผลที่เราจะต้องมีหนี้ติดอยู่เลยจากการทําธุรกิจจากอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้หมายถึงกลุ่มที่พังนะไม่ใช่กลุ่มเพิ่มเองนะกลุ่มที่พังมีก็พังมีก็พังจะต้องติดหนี้ติดสินเหมือนญี่ปุ่นเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องเป็นหนี้เดี๋ยวจนะขอข้อไปเนี่ยอาจจะกระทบนิดนึง <c> ล <oughs> ักษณะเนี้ยให้ทานที่กระทบตัวและบุคคลอื่นเวลาผลมันให้เวลาผลของทานในกุศลให้ผลก็จะเป็นเงนี้ยถูกกระทบกระทั่งอยู่ไ เจอระพยบ้างอุทโกระพายบ้างวารภัยเดี๋ยวไปดูในสาริสถานที่ท่านแยกเขาไว้ในรายละเอียดตรงนี้ก็ส่วนข้อที่4อนนวัชสุขสุขเกิดแต่การประกอบการงานที่ไม่มีโทษอริยาสาวกนี่นะพระพุทธเจ้าสอนอุบาสกบาสิกาณนะอริยาสาวกผู้ประกอบด้วยกายกรรมที่ไม่มีโทษวจีกรรมที่ไม่มีโทษมโนกรรมที่ไม่มีโทษก็คือการประกอบกายกรรมที่ไร้โทษวจีกรรมที่ไร้โทษมโนกรรมที่ไร้โทษ เห็นไหมกายวาจาใจที่ไร้โทษไม่มีทุจริตเกี่ยวขอ้องเลยบุคคลประเภทนี้ถ้าถามว่าเป็นความสุขที่เกิดจากการประพฤติไร้โทษนี่นะได้สุขสมแน้ว่าเราเป็นผู้ประกอบด้วยกา ย, ยากรรมสุจริตหนอวิจีกรรมสุจริตหนอมโนกรรมสุจริตนี้เรียกว่าอนัววชเชสุขสุขเกิดจากการประพฤติไร้โทษไม่มีข้อดีเตียนเลยแล้วลองคิดดูดิคนที่มีสุจริตสาม ถ้ามีสุจริศสามนะีไปประกอบอาชีพการงานไปสเสแ่งหาทรัพยบซัพย์แต่ละชิ้นที่ได้มาเป็นทรัพย์ที่บริสุทธิ์แท้จริงไหมเป็นทซั์ที่บริสุทธิ์แท้จริงดั้นทรัพย์ที่บริสุทธิ์อย่างแท้จริงเหล่านี้แหละถ้าลองเอามาลองมามันจะย้อนกลับเห็นไหมถ้าได้ซัพย์ที่บริสุทธิ์อย่างแท้จริงเบ็ดเสร็จมันจะมีสุขเกิดจากการได้ซัพย์แล้วเวลาจะจ่ายทรัพย์ ในการทำบุญทำความดีหรือประกอบสิ่งต่างๆในการใช้จ่ายทั้งหลายก็จะมีความสุขเพราะมันหาไม่ได้ด้วยชอบทำหาไมา่ได้ด้วยสุจริตสาและในขนาดเดียวกันก็ไม่ติดหนี้สิทธทิ์เป็นต้นเหล่านี้นะเห็นไหมว่าจะเกื้อกูลขนาดไหนฉะนั้นสุขเกิดจากการประพฤติไร้โทษเนี่ยสรุปก็คือว่าผู้ได้รับความสุขเกิดจากการมีทรัพย์จ่ายทรัพย์บริโภคและก็สุขเกิดจากการไม่เป็นหนี้เนี่ย ความสุขทั้ง3ประการเนี่ยไม่เท่าสุขประการที่ 4, สี่เบริฐที่สุดถ้าเราจะแยกแยกออกเป็น16เซี่ยวก็ความสุขเกิดแต่การมีทราบาจทราบบริโภคแล้วก็สุขเกิดแต่การไม่เป็นเนี่ยไม่ถึงเซี่ยวที่16ของการประพฤติไร้ไโทษการประพฤติไร้ไโทษเนี่ยเป็นความสุขที่ที่จริงในชั้นของมงคลในชั้นของดีกามงคลนี่ท่านใช้คว่า เอามาหั่นลงนะสิบหกครั้งสิบหขนสิบครั้งสิบหขนเอามาหั่นลงหั่นลงเนี่ ย, าา น, น, น, ยนั่นถึงบอกว่าการประพฤติไร้โทษเป็นมีความสุขมากและและตรงนี้แหละสุขเกิดจากกายสุ จ, จริตวจีสุจริตมโนสุจริตการสแสวงหาวัตถุที่ได้มาวัตถุก็บริสุทธิ์หามาได้โดยชอบธรรม เมื่อเราหามาได้โดยชอบรมเราก็กลายเป็นทายกที่ผู้จะให้ก็เป็นผู้ที่บริสุทธิ์วัตถุก็เป็นบริสุทธิ์ถ้าเราได้ปฏิคาหกที่บริสุทธิ์ขึ้นมาลองคิดดูสิว่าเราจักบริสุทธิ์3มส่วนบริสุทธิ์ของตนเองก็บริสุทธิ์สิ่งของที่แสวงหาทุกชิ้นก็บริสุทธิ์และเราเอาไปสละเอาไปบริจาคได้ปฏิคา6ที่บริสุทธิ์จากราคะโทวสามโมหะหรือเอาให้กระสงเป็นต้นเนี่ยสาวกพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะสมมุติ หรือมีพุทธเจ้าบูชาพระรัตนตรัยเนี่ยการเป็นบริสุทธิ์3ส่วนทายกบริสุทธิ์วัตถุ บ, บริสุทธิ์ผู้รับบริสุทธิ์ทีนี้ต่อไปก็ขับเน้นเจตนาและเอาก็เราแสวงหาทรัพย์ในบริสุทธิ์ปุกพากเจตนาในการแสวงหาทรัพย์บริสุทธิ์ไหมบริสุทธิ์มุนจากเจตนาในมาขณะสละก็บริสุทธิ์เมื่อเราสละทรัพย์เหล่านั้นไปแล้วโอ้โหบริสุทธิ์ สรุปก็คือก่อนให้ก็ดีใจขณะให้ก็เลื่อมใสให้แล้วก็ปลื้มใจเป็นไปกัญยาปัญญาแล้วเราคิดดูว่าทานนกุศลอย่างนั้นจะเอามาเจริญจาคานวุตติได้ไม่ได้ได้ไหมนี้แหละที่เหมาะสมแก่การที่ว่าทานนกุศลเมื่อไปสรุปประเด็นอันนี้พูดแบบปิดท้ายกันไว้เนี่นะเพราะยังไงก็พูดไม่หมดเนี่ยก็ปิดท้ายปิดประเด็นกันไว้เลยบอกว่าทั้งนั้นปิดท้ายไว้แล้วเดี๋ยวกลับได้แล้วนี่ คือให้รู้ว่าเป้าหมายที่เราจะมาศึกษาทานกุศลในครั้งนี้เราจะศึกษาทานากุศลหรือพล า, า, านาทานกาถาเนี่ยเพื่อไปสู่เป้าหมายของการทํำกายสุจริตวจีสุจริตมโน ส, สุจริตเพื่อจะพัฒนาสุสีนั่นเองแล้วก็จะได้มีการเดินทานกุศลในกรณีแห่งการผู้ที่มีความสุจริตในการแสวงหาทรัพย์ด้วยแล้วมือทรัพย์จ่ายทรัพย์บริโภคไม่ต้องเป็นหนี้เป็นต้นด้วย แล้วแล้วเราเป็นผู้ประพฤติไร้โทษแล้วคิดดูดีเมื่อเราตั้งมั่นอยู่ในสติสติสามอย่างนี้แล้วทุกขติเรายิ้มได้ไหมว่าเราพ้นเนี่ยเราก็เริ่มยิ้มได้ยังไงว่าทุกขติไม่ได้กินเราแล้วตอนนี้เรามั่นใจขนาดนั้นไหมบอกว่าถ้ามีคนเขาบอกว่าเป็นสัตว์นรกเราก็ยิ้มได้เลยยังไงว่าสบายแล้วเราชาตินี้ เราไม่เคยประพฤติที่มีโทษเนี่ยสัตว์เดรัจฉานแล้วก็โอ้สัตว์เดรัจฉานเราไม่ไปอีกแล้วไดอย่างเปรต อสุรกายแต่บางคนก็คิดว่าตนเองไม่ไปนะแต่เหตุสร้างทุกวันนะสร้างเหตุทุกวันเออมันคนละเรื่องกันนะบางคนไม่รู้ใช่ไหมเหตุจะไปเกิดเป็นสัตว์นรกก็มีเกิดเป็นสัตว์ในฉานก็มีเปรตก็มีอสุรกายก็มีมันไม่ใช่อยากไปหรือไม่อยากไปบางคนบอกเหมือนนี้เหมือนเราเบื่อสามีคนนี้แล้วเกินไม่เอาอีกแล้วแล้วชาติไหนชาติไหนก็ขอไม่พบไม่เจอไม่เจอไม่เจอเอามาได้ยินหลายคนนะบ่นให้มาฟังเนี่ยบอกไม่เอาอีกแล้ว ออกก็ยิ้มๆในใจนะไม่เอาแล้วสร้างเหตุน่ะไม่เอามันไม่ใช่ว่าเบื่อได้โทสะแล้วเราจะไม่ไปหาคนนั้นอีกนะแล้วมันต้องตัดที่รากตัดที่เหตุใช่ไหมมันต้องมันต้องไม่ประกอบเหตุไม่ใช่แค่เบื่ออย่างไม่ใช่แค่เบื่อนะมันต้องสร้างเหตุให้ถูกด้วยนะกรณีที่ไปมีครอบครัวเนี่ยเั้นอัตยาสายตั้งมาอย่างยาวไกลเงี้ยอัตยาตังายตั้งมาอย่างยาวไกลแล้ว แล้วกรรมที่เคยสั่งสมมาเนี่ยเท่าไหร่สรุปแล้วก็คือว่าถ้าไม่อยากมีครอบครัวนะทําอนาคา ม, มีมรรคให้เกิดเนี่ยจะมพระเสะดาบันยังนี่พระเสะดาบันจะไปเกิดบนสวรรค์ยังไปเป็นเทพธิดาของท้าวสกาเขายังมีนะใช่ไหมหรื อ, อยังฉะนั้นถ้าไม่อยากเป็นไม่อยากมีครอบครัวมีอย่างเดียวเท่านั้นแหละทําอนาคา ม, มีมรรคทาได้ไหมล่ะ อนาคตมีมั้เนยเพราะว่ไปเกิดนู่นแล้วเกี่ยวนี่แล้วูกประภูมิอาลูกประภูมิมแล้วในสุทาวันแล้วไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับการมาคุณแล้วแต่ตอนนี้ไม่น่าไว้ใจอ่ะไม่น่าไว้ใจเลยนี่กรรมที่ทํามาก็ยาวไกลเยอะแยะเบเสร็จบางทีคนที่เราังเกียดที่สุดนี่แหละจำไหมที่สร้างเหตุปัจจัยกันมายังไม่หมดเนี่ยเอาไปเจอกันอีกแล้วพรเปลี่ยนภพชาติไปแล้วโอ๊ยเป็นงอ้อเขาเป็นแถวเป็นแนวนเลยเีนี้มัเปลี่ยนภพ嘛 เขเปลี่ยนพ่อไปแล้วจำไม่ได้มานีนรูปใหม่ใช่ไหมโอ้ยเอาเลยแต่นี้ไปตามงอ้อตามไรตามคือถ้าลองระลึกชาติได้เราวิ่งหนีกันไ่แถวเป็นแนวเนี้เพราะระลึกชาติไม่ได้แล้วลองคิดอยู่อะที่เรานั่งนั่งใกล้กันอยู่เนี่ยนะถ้าวันใดวันหนึ่งเราลึกชาติได้ไว่าคนนี้เคยฆ่าเรามาห้าร้อยชาติเนี้ยเราจะฆ่านั่งใกล้ไหมไม่ฆ่านั่งเลยโลกบอกเขาคุณขยับไปไกลๆหน่อยได้ไหมบอกาตามไม่ไว้ใจอะ่ะ เพราะเราเลือกชาติได้สมมติมีคนเราเลือกชาติได้ใช่ไหมฮะร้อชาติตัดศีรษะเรามาทุกชาติเลยแล้วโอ้ยหวาเสียวมากนั่งไปกระดุงไปฟังธรรมก็ไม่มีความสุขนี่พระเอิรโมหะปิดเท่าๆกันเลยนั่งฟังธรรมด้วยกันแล้วก็ตรงนี้เป็นเรื่องที่ที่ต้องคิดว่าในชั้นคำสอนเนี่ยนะ